เจริญพรโอ้เสียงดังนะนี่เจริญอรทีเดียวตกใจเลยเราย้ายย้ายพบนะพบที่อาศัยสาราุกชินก็รับพวกเราไม่ไหวจริงหลวงพอ่อเสนอเข า, าว่าว่าให้เลิกสมัย ร่วมปีนะเพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนพวกเราเข้าไปทีิเป็นพันพันกาคนเขาเข้าออกลำบากแต่เขาก็ทนนะในหมู่บ้านชาวบ้านเขาอดทนให้พวกเราเข้าไปใช้สถานที่เขาต้งเก้าปีสาราลูชินก็แสดงใจรักให้เราดู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 เมือมมหาวิทยาลัยเขาก็ต้องรับภาระมากเกินไปภา ร, ะ, ร ะ, ะของมหาวิทยาลัยเ็ก็เยอะอยู่แล้ ว, ลวนี่พวกเรามาใช้สถานที่เขาก็ต้องมีระเบียบเขาให้จอดรถที่ไหนก็จอดนะทำแบบสาราลุชินไม่ได้นะเดี๋ยวถูกไล่ไปอีกขยงขยานะอย่าไปทิ้งเรี้ยราดนะ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 สภาพแวดล้อมอย่ากจะลือเก้าอี้ออกให้พวกเรานั่งที่พื้นน่ะเมื่อยตายเลยที่เนี่ยเพราะอะไรเพราะเวทีนี้สูงถ้าพวกมันนั่งพื้นข้างหน้านี้ฟังหลวงพ่อเทศแลต้องเทศจบนะก็เดินออกไปงี้เลยเอาหลกไม่ได้แล้วไม่ว่าอะไรนะเขาก็แสดงธรรมาให้เราดูธรรมะนัมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง แสดงตัวอยู่ทุกที่ทุกเวลามันอยู่ที่ว่าเรามองเห็นหรือเปล่าี่ถ้าเรามีตาที่จะดูธรรมะมก็เห็นธรรมะแสดงตัวอยู่ทุกหนทุกแห่งตลอดเวลาอย่งทำไมเราต้องเปลี่ยนสถานที่ก็เป็นธรรมะและ้วทุกอย่างไม่เที่ยงบางคนร้องผมร้องไห้นะเมื่อกี้ในหลวงพ่อก็เจอคนนึ่ง พี่สาวตายตายปุบ ป, ปับนี่ก็ธรร ม, มะอะไรๆในชีวิตเราธรร ม, มะทั้งนั้นเลยหลวงพ่ออยู่แถวชนบุรีศรีราชาเน้ําท่วมก็เป็นธรร ม, มะนะอยู่ๆฝนก็ตกเยอะยๆเลยธรรมดาไม่ค่อยจะตกมันตกทีเดียวน้ําท่วมไปเลยน้ำท่วมประเดียวเดียวก็หายตอนนี้น้ําแห้งแนละ้วกลับไปสู่ภาวะแห้งแรงเหมือนเดิมเนี่ยทุกอย่างในชีวิตเรานะที่มันผ่านเข้ามาเนี่ย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 แต่อย่างนี้ใกล้ๆเราก็รู้สึกว่าเป็นปัจจุบันจริงๆจริงสิ่งที่เรามองเห็นเราเห็นสิ่งในอดีต ท, ทั้งนั้นเลยอย่างของที่อยู่ไกลๆดวงอาทิตย์เนี่ยแสงเดินทางมาใช้เวลา8นาที9นาทีนัดวงอาทิตย์ที่เราเห็นเนี่ยมันดวงอาทิตย์ในอดีตเมื่อ8ดนาที9นาทีก่อนดาวบางดวงอยู่ต้งห่างทั้งพันปีที่เราเห็นเนี่ยเป็นดาวในอดีต นี่เราอยู่ใกล้ๆอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเป็นปัจจุบันที่จริงอดีตนะแต่อดีตนิดนึงนะงั้นการที่เราจะมารู้ปัจจุบันเนี่ยอย่าสนใจของข้างนอกมากนัดสิ่งที่จะต้องเรียนเนี่ยเรียนที่ตัวเราเองนจริงๆอย่างขนาดเนี้ถ้าเราลองไปยักหน้าสินี่นเรารู้ได้ปัจจุบันเลยเห็นไหมเรารู้ได้ปัจจุบันเลยงั้นในตัวเราเนี่ยของปัจจุบันนะ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 งั้นปัจจุบันนี้สั้นนิดเดียวใช้เวลาสั้นนิดเดียวอย่างช่วขณะเท่านั้นเองเราหนึ่งขณะนั้นแป๊บเดียวก็าล่วงไปแล้วผ่านไปแล้วงั้นชีวิตนี้ที่ว่ามีจริงมีจังแนตะ่จริ ง, รงๆแล้วเหมือนฝันอยู่เท่านั้นเองผ่านไปผ่านไปผ่านไปเรื่อยนะถึงเวลาก็ปีหนึ่งสองปีผ่านไปเก้าปีต้องย้ายที่เทศต้องไปหลวงพ่อต้องไปเทศน้ำหลวงที่นี่อาจจะไม่พอฟังะ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 ถ้าจิตยอมรับความจริงแล้วเข้าถึงความจริงแล้วจิตจะคลายความยึดถือความลหลงไหลในรูปในนามแล้วในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงงันไม่ว่ารูปนามกายใจของเราจะแปรปรวนยังไงสิ่งแวดล้อมของเราจะแปรปรวนยังไงใจจะไม่ทุกข์เพราะมันยอมรับได้ยันทุกวันนี้ที่ทุกข์นะเพราะยอมรับความจริงไม่ได้หันมาเผชิญความจริงชาบพูดไม่ใช่พวกหนีโลก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 คิดถึงว่าวันนี้จะมามศทจะเข้าทางไหนดีนะจะจอดรถตรงไหนจ ะ, จะทํำยังไงนะนั้นเราคิดอันนี้คิดอะไคิดอนาคตนะถ้าแก่หน่อยนะตื่นขึ้นมาไม่มีอะไรจะทำแนละ้วคิดถึงอดีตนะคิดถึงวันโน้นวันนีนะ้สมัยเด็กๆ เ, เราไม่อยู่กับปัจจุบันเมื่อใจเราไม่อยู่กับปัจจุบันเราจะมาเรียนรู้ปัจจุบันไม่ได้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 การทำกรรมฐานนันคือการทำอะไรอย่างหนึ่งที่ยากๆผิดมนุษย์มนานะคิดอย่างนั้นแหละมันก็ไปสร้างการเพ่งการจ้องการบังคับตัวเองขึ้นมาใจก็อึดอัดหาความสุขความสบายอะไรไม่ได้เครียดๆปัญญาไม่เกิดปัญญาจะเกิดได้ใช้ใจธรรมดาธรรมดารู้สึกตัวสบายๆใจที่สบายมีสมาธิอยู่ในตัวมันมีความสุขขึ้นมาใจสบาย รู้เนื้อรู้ตัวไปสมาธิมันมีอยู่แล้วล่ะไม่ใช่ยากอะไรค่อยๆฝึกนะงานหลักของเราในชีวิตเราเนี่ยคืองานพัฒนาใจของเราเนี่เองการพัฒนาใจนั้นมีงานสอ ง, ส, องสองอย่างนะหนึ่งเรียกว่าสมร t h กรรมฐานพัฒนาให้ใจมีความสุขมีความสงบมีเรี่ยวมีแรงงานหนึ่งคือวิปัสสนากรรมฐานพัฒนาให้ใจฉลาดให้ใจรู้ความจริงของรูปนามกายใจ นื ง, งานจริงๆมีแค่นี้เองเนื่องงานหลักในชีวิตเรานะส่วนงานทํามาหากินงานอะไนี่อยู่กับโลกเพื่ออาศัยหาเงินหาทองมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อะไรไปอาศัยอยู่กับโลกโว่วครั้งโว่วคราวทรัพย์สมบัติสะสมเอาไว้สุดท้ายก็คืนให้โลกเพือนได้เราคืนสมบัติให้โลกตลอดเวลาใช่ไหมได้เงินมาก็จ่ายไหมคืนเขาไปนะที่เก็บไว้เยอะๆสุดท้ายก็คืน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 มันติดตัวข้ามพภพข้ามชาติกระทั่งสมาธิก็ติดตัวข้ามพภพข้ามชาตินะอย่างเราทำสมาธิมาได้ชำนิชำนานนะี่เราตายไปนะชาติต่อไปเวลาเราทำสมาธินะง่ายมากเลยหายใจสองทีจิตก็สงบแล้วเพราะของมันเคยทำมันยากสำหรับคนไม่เคยทำเนี่ยของเราเานียมันติดตัวเราตลอดชีวิตรนะืออยอยู่ไปจนแกนะคนแก่ทั่วๆไปนะรู้สึกสูญเสีย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 ไม่ได้ประโยชน์นะอย่างนี้ที่จริงแล้วอย่างกานจะฝึกจิตให้สงบนะไม่ใช่เรื่องยากเห็นไหมเรียนกับหลวงพ่อมีแต่คําว่าไม่ยากเห็นไหมไม่ใช่ยากอะไรฝึกจิตให้สงบก็ อ, อย่าไปทําให้มันวุ่นวายซะก็หมดเรื่องแนะ้ววุ่นวายก็วุ่นวายของเราเองนะีสสย่ยแสบใสเห็นไหมวันๆหน่สนใจสิ่งภายนอกสนใจอะไรวุ่นวายหรือไม่คิดอะไรตระหนึกเปิดเปื้งไปอย่างถ้าเรารู้จัก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 ใครเคยข้อวัดเล่าเข้าวพรรษาไอ้ น, นี่กินเหล้าเข้าวพรรษาทําไมเป็นอย่างนั้นกเวลาเข้าพรรษานะสามเดือนใช่ไหมกินเหล้าปีหนึงสามเดือนกเว้นอีกตั้งกี่เดือนเก้าเดือนเขาดีกว่าแต่มันยังไม่ดีที่สุดเรายังมีเลวอยู่สามเดือนเราไม่อยากพูดน้ําแก่กว่าเราเดียวเพราะว่าล่วงเกินผู้อาวุโสไม่ยากอะไรนะถ้าใจชอบคิดทํากรรมฐานคิด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 ในคิดถึงร่างกายตัวเองในคิดถึงผมคนเล็บฟันหนังเนื้ออินทระดูกนะให้ร่างกายให้จิตใจเน้นวนเวียนพิจารณาอยู่ในกายไหนช่างคิดแล้วแทนที่จะคิดตะลริดเปิดเปิงไปเรื่องอื่นนะก็มาคิดพิจารณาร่างกายเข้าใจมันได้คิดไม่ได้ห้ามมันคิดมันได้คิดแล้วก็คิดเรื่องดีๆใจก็สงบง่ายนี่บางคนไม่ชอบคิดเป็นคนไม่ชอบคิดนะ มีวันวันก็อยู่แต่ความสุขความสบายเหลือเพลิลล น, ลนไปให้ไปทํากรรมฐานคิดมัเนะครียดจัดไม่ชอบถ้าอย่างนั้นก็ทํากรรมฐานที่ไม่ต้องคิดนะอย่างใจมันฟุง้งซ่านมากก็ค่อยรู้เห็นร่างกายหายใจออกรู้สึกตัวร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัวนะรู้สึกไปเรื่อยๆอย่าไปคิดว่าจะสงบเมื่อไหร่หายใจเล่นๆไปนะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่าง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 ผมนี่มันก็คงไปสักย้อมมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเซตมาเรียบร้อยให้ดูดีถ้าลงไม่อาบน้ําสักสองวันสามวันนะเหม็นหึงเลยผู้หญิงเนี่ยเหม็นมากกว่าผู้ชายนะเดียวเว้นผู้ชายผมยาวๆนะเนี่ยนี่ผู้ชายก็ราไอ้ผมยาวก็มีผู้หญิงผมสั้นๆก็มียิ่งผมยาวๆเนี่ยเก็บความโสกปรกไว้เยอะเหม็นเนี่ยเราพิจารณาเข้าไปเนี่ยใจมีนคลายจากราคะ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 นะคิดมากก็พามันพิจารณากายพิจารณาอะไรไปนะไม่ชอบคิดก็รู้ลมหายใจนะเดินจงกรมเห็นร่างกายมันเดินใจเป็งคนดูอนะไรทำได้ทั้งหมดเลยกรรมฐานเนี่ยมันไม่เลือกนะสมถะกรรมฐานเนี่ยไม่เลือกอารมณนะ์อารมณ์อะไรที่ทําแล้วกิเลสไม่เกิดนะเอาได้เท่านั้นเลยนะจะเป็นเรื่องราวที่คิดก็ได้จะรู้รูปนามก็ได้นะเช่นเห็นร่างกายเดินเห็นร่างกายหายใจ อันนี้ก็เป็นสมถะกรรมตานฝึกและใจสงบนะหรืออารมณ์นิพพานเพวกเราทําไม่ได้คนที่จะใช้อารมณ์นิพพานมาทําสมถะได้ต้องเป็นพระอริยบุคคลแล้วเวลาเข้าเขาเรียกพระสมบัตินะไม่มีสมบัติอยู่สองนั่นนะพราสมบัติกับนิโรธสมบัติยไม่เหมือนกันหรอกพราสมบัติเนี่ยจิตมันกลับไปสู่สภาวะที่ตอนที่เกิดอริยผลตอนนั้น เรียกว่าบรรลุสั乌ปาที่เสสนิพานนิพานแบบตอนนั้นไม่มีกิเลสนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าพระสมบัติเนี่ยจิตจะเข้าไปสู่สภาวะสั乌ปาที่เสสนิพานใจไม่มีกิเลสขณะนั้นสัมผัสพระนิพานแต่ถ้า น, นิโรธสมบัตินีจะการเข้าไปสู่อนุปาที่เสสนิพานนิพานตอนที่สิ้นขันเพรฉะนั้นถ้าเข้านิโรธสมบัติเนี่ยมันจะไม่มีขันอยู่แต่ไม่มีขันชั่วคราวเพราะว่าวิบาก ของขันยังมีอยู่เดี๋ยวมันก็กลับมาไม่เกินเจวันมันก็จะกลับมาอันนี้มันยากเกินไปพวกเราทําไม่ได้ไใช้นิพพานเป็นอารมณ์นะหรือใช้การเข้านิโรธสมา บ, บัติเนะี่ยพวกเราทําไม่ได้เราทําสมาธิเท่าที่ทําได้นะใช้อารมณ์บัญญัติเช่นพุโทโธพุโทโธพุทโธไปสัมมาระหังนามาภะธ า, าอะไรก็ได้เหมือนกันหมด หรือใช้การคิดพิจารณาร่างกายนี่เป็นอารมณ์บัญญัติหรือใช้อารมณ์รูปนามเห็นร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนหรือดูจิตดูใจจ้องอยู่ที่จิตจิตจะนิ่งจ้องอยู่ที่จิตไม่เคลื่อนไหวสว่างว่างอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วแต่เราถนัดอะไรนะทำอะไรได้เอานั้นแหละหาหาบ้านให้จิตอยู่ที่สบายสบา ย, ส, บายสักที่หนึ่ง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 ถ้าเราแค่น้อมจิตไปน้อมจิตไปอย่างสบายๆใช้จิตที่สบายๆเนี่ยไปรู้อารมณ์ที่สบายๆพอใช้จิตที่สบายๆไปรู้อารมณ์ที่สบายๆนะแป๊บเดียวก็สงบนละเงันที่หลวงพ่อชอบสอนพวกเรายิ้มหวานหวานก่อนยิ้มหวานเนี่ยไม่ใช่ยิ้มแต่หน้ายิ้มจนใจเรานะคลี่บาลออกมาเหมือนดอกไม้บานในใจเราเลยนะทำได้ไหมยิ้มหวานหวานยิ้มให้ใจคลายออกอแถวที่สามนี่ไม่เป็นหรอกนะ ที่ยิ้มนึ่งนะเราทำคลายไม่คลายใจยังเป็นก้อนอยู่เราต้องให้ใจในบานออกคลายออก ใ, ให้ใจผ่อนคลายนะันะเราใช้ใจที่ผ่อนคลายเนี้ยมารู้อารมณ์กรรมาฐานที่สบายเช่นเราหายใจออกหายใจเข้าเรารู้สึกไปอย่างนี้เราสบายนะเป็นอารมณ์ที่สบายเราก็รู้ร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าด้วยจิตใจที่สบายๆแป๊บเดียวสงบนะเคล็ดลับมันอยู่เท่านี้เองบางคนทําสมาธิทําแทบตาย ฝึกตลอดชาติไม่เคยสงบเลยมันไม่รู้หลักถ้ารู้เคล็ดลับเราง่ายมากนี่ทำปุ๊บวับนะมันได้ทันทีตอนเช่าง่ายนะตอนออกถ้าออกไม่ดีนะปวดหัวนะถ้าใจลงลึกปุ๊บถอนปุ๊บออกมาปวดหัวก็มีศิละปะค่อยๆ อ, ออกนะคนที่เข้าออกเร็วก็มีพระโมคคลลานะเข้าออกได้เร็ว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 ต้องใช้ใจที่สบายๆเพราะเราต้องฝึกจนใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นสบายๆวิธีที่ให้ใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นสบายๆเนะี่ให้คอยรู้ทันใจที่มันไหลไปใจมันไหลมันเคลื่อนเราคอยรู้อย่างแต่เดิมเราทำสมาธิพักผ่อนเนะี่ยเราน้อมจิตที่มีความสุขไปอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขเราได้สมาธิชนิดสงบ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 ไม่ได้น้อมจิตไปหาอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขนะแค่รู้ว่าจิตไหลไปไหลมาจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ได้เจตนาให้ตั้งนี้พอได้จิตที่เป็นผู้รู้แล้วเนี่ยต้องระวังอย่างหนึ่งพอได้จิตเป็นผู้รู้แล้วบางคนรักษาตัวจิตผู้รู้นี้ประคองตัวผู้รู้ไว้คงที่เลยนะแล้วก็บอกว่าจะเจริญปัญญาเห็นรูปกระธรรมเห็นนามมาทำเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแต่ว่าจิตเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงจิตคงที่ตลอด อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะตัวรู้เองก็ต้องไม่รักษาให้คงที่ให้นเป็นธรรมชาตินะใจไหลไปแล้วเราก็รู้ตัวที่รู้ทันใจที่ไหลไปได้ตัวรู้ขึ้นมาช่วงขณะหนึ่งเดี๋ยวคิดเรื่องอื่นใจไหลไปอีกรู้สึกอีกก็จิตตั้งมั่นขึ้นอีกขณะหนึ่งนะอีกชั่วคราวจริงๆมันตั้งทีได้เจขณะเจดขณะนะมันแป๊บขึ้นมามนสั้นๆหรือจิตไปดูนะ จิตไปดูรู้ทันเมื่อจิตไหลไปดูไม่จะตั้งมั่นขึ้นชั่วชั่วคราวชั่วขณะนะเอาทีละหน่อยทีละหน่อยอย่างนี้ยไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ดีกว่ากลัวไหลแล้วรักษานะตัวนี้อันตรายมากเลยนะับปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะกลัวจิตจะไหลไปก็รักษาจิตเอาไว้เฉยเยจิตจะทื่อๆอยู่นะเราบอกว่าจะเจริญปัญญาเห็นร่างกายยืนเห็นร่างกายเดินเห็นร่างกายนั่งร่างกายนอน เห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเห็นร่างกายสุขร่างกายทุกเนี่ยเห็นจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรนั่นหรือเห็นกระทั่งกิเลสเนีเห็นโลภโกรธหลองเกิดขึ้นดับไปแต่อตัวรู้เนี่ยมันคงที่อย่างอื่นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเลยแต่จิตนี่เที่ยงจิตเป็นนิจจังมันเที่ยงแล้วมันก็มีความสุกนะเป็นผู้รู้สุขอยู่นั่นแหละแล้วรู้สึกว่ากูเก่งกูบังคับได้กลายเป็นอัตตาซะอีก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 ปล่อยตัวรู้ให้เกิดดับตามธรรมชาติแต่ในขณะที่รู้ขึ้นมาเนี่ยระลึกมีสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมรู้กายรู้ใจของเรานี้เราก็จะได้เห็นความจริงนะได้เห็นความจริงว่าร่างกายนี้มันเป็นทุกข์นะมีความทุ้มบิบคั้นอยู่ตลอดแท้จริงร่างกายของเราทุกคนนะมันถูกความทุ้มบีบคั้นอยู่ตลอดนะแต่เราละเลยเราไม่สนใจลองหายใจเข้ายาวๆดี่ทุกข์ไห ม, มก็ทุกข์นะหายใจออกยาวๆก็ทุกข์ นี่มันทุกข์พอหายใจเข้าแล้วทุกข์เราก็หายใจออกพอหายใจออกแล้วทุกข์เราก็หายใจเข้านั่งเราทุกข์เราก็เปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยเราไม่ได้รู้เลยว่ามันทุกข์เราเปลี่ยนอิริยาบถหรือเปลี่ยนการหายใจขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวไปปิดบังความทุกข์ไว้หมดเลยเนี่ยถ้าเรามีสตริรู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยร่างกายนี้มีแต่ตัวทุกข์ร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายอะไ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 ความสุข ค, ความทุกข์ทั้งหลายไม่เที่ยงความดีความชั่วโลภโกรธหลงทั้งหลายไม่เที่ยงความสุขความทุกข์ความโลบความโกรธความหลงหรือความดีทั้งหลายเนีเราสั่งไม่ได้อย่างเราสั่งให้มีความสุขตลอดเวลามันไม่สุขห้ามทุกข์มันก็ยังจะทุกข์มีความสุขมาแล้วสั่งให้ความสุขอยู่นานๆก็ไม่อยู่ความสุขหายไปสั่งให้ความสุขกลับมาก็ไม่มาความทุกข์ยังไม่มาสั่งว่าอย่ามาแป๊บเดียวก็มาแล้วนะ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 เนี่ยอนัตตาเนี่ยเรามาเรียนรู้ความจริงนะถ้าใจเราไม่ไปติดเพ่งอยู่กับที่นิ่งๆหรือไปรักษาตัวรู้ไว้การที่จะไปเพ่งอารมณ์นะเช่นรู้ลมหายใจเพ่งลมหายใจรู้ท้องเพง่งท้องรู้เท้าเพง่งเท้ารู้ตัวจิตผู้รู้เพ่งจิตผู้รู้ก็เพ่งเหมือนกันแนะติดสมถะเหมือนกันใช้ไม่ได้เหมือนกันนะงั้นบางคนไม่เพ่งอันอื่นแล้วมาเพ่งผู้รู้เนี้ยน่ากลัวที่สุดเลยที่หลวงพ่อจำชี้ชำชัยตัวนี้นะเพราะจากประสบการณ์ หลวงพ่อเคยเพ่งตัวผู้รู้แล้วแก้กันเป็นปีเลยจิตมันชินที่จะเพ่งผู้รู้นะพอคิดถึงปฏิบัติปุ๊บเลยนิ่งเลยแก้กันนานเลยหลวงพ่อก็พอนากับหลวงปู่ดูลนะแล้วก็หลวงปู่ดูลไม่อยู่แล้วก็ไปอยู่วัดสาขาวันหนึ่งพอนานอยู่จิตเราเคลื่อนไปดูอารมณ์ภายในหนะลวงพ่อหลวงพ่อขืนลูกสิษหลวงปู่ดูลเองี เลางก็คืนท่านก็บอกพระโมทไปดูอะไรนะั่นจิตมันอยู่ทางนี้ต่างหากแทนที่จะบอกเราว่าจิตไหลลงไปแล้วเห็นไหมไม่บอกอย่างนี้นะไปดูอะไรตัวนะั้นจิตมันอยู่ตรงนี้ต่างหากเราก็อ๋อดูจิตต้องดูตัวนี้ได้เคล็ดลับวิชาไม้ตายแล้วอันเนี้ยคืนนี้นะเข้ากุฏิเลยกุฏิที่ท่านเลือกให้อยู่เนะยอยู่ใกล้ๆ ก, ก, กับกุฏิท่านยหลงเฝ่อเนี่ยครูบาอาจารย์รับเวลาไปนะท่านจะให้อยู่ใกล้ๆท่าน ปรากฏว่าพอเข้ากุฏิได้คืนนี้จะพอหนาโต้รุ่งเลยจับตัวนี้ปุ๊บจับไปจับไปนะรู้แล้วผิดเ้ยมันเที่ยงเกิดเฉลียวใจว่ยจิตมันเที่ยงทำไมจิตเที่ยงพระพุทธเจ้าว่าไม่เที่ยงจิตนี้สุขพระพุทธเจ้าว่ามันทุกข์ทำไมยิ่งดูยิ่งสุขจิตนี้เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ทำไมบังคับได้วะ คงที่อย่างเงี้ยสามให้คงที่อยู่อย่างเงี้ยได้เลยนะผิดแล้วล่ะผิดแล้วเลิกเลิกเลิกไม่หายนะมันจะจับแน่นเลยคราวนี้โว้ยโกรธหลวงพ่อคืนมากเลยรอให้เช้ากว่านี้จะไปเล่นงานนะกายอย่างนี้เลยนะร้ายมากนะหลวงพ่ออนะพอเช้าขึ้นมาเปิดประตูกุฏิโครมหมดไปกาว่าจะไปเรียกท่านมาเอาเรื่องสอนเราไม่ดีท่านก็เก่งนะ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 ข้าวเนี้ยแก้เป็นปีเลยนะเพราะฉะนั้หลวงพ่อน่านะห่วงพวกเรามากเลยว่าอย่าไปจับตัวรู้ถ้าไปจับจิตผู้รู้ผู้รู้คงที่เนะี้ยเป็นกรรมฐานที่แก้ยากนะตัวอื่นนี่แก้ง่ายตัวนี้แก้ยากนะเพราะถ้าติดเนี้ยเราก็ไม่ได้ขึ้นมิปัสนานะตายไปไปเป็นโฟมอีกลําบากเป็นโฟมนานนะอยุยืนมากเลยลำบากงั้นเราไม่ประคองตัวรู้ใจไหลแล้วรู้เราได้รู้หนึ่งขณะแค่นี้พอละ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 ถ้านานก็นทีน้ําราเหยมากกว่าน้ําที่หยดลงไป น, นนะครับไม่เต็มตุ่มสักทีนี่เราคอยรู้สึกรู้สึกรู้สึกบ่อยๆแต่อย่านั่งเฝ้านะโดยเฉพาการดูจิต ด, ดูใจเนี่ยอย่าเฝ้าดูกายก็ไม่เฝ้านะไม่ใช่เฝ้าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยใจทื่อๆจะได้อะไรก็ได้กายกรรมมันสิเนี่ยละกายกรรมใช่ไหมไม่ใช่มโนกรรมไม่ใช่วัจีกรรม ได้อะไรได้กายกรรมถ้าดูเป็นนะดูได้ใจที่ถูกเนะี่ยในเวลาไม่นานนะควรจะได้ธรรมะบ้างสมัยพุทธกาลท่านบอกแค่เจ็ดวันเจ็เดือนเจ็ดปนะีถ้าไม่ใช่พระราหารันก็อนาคขาถ้าทำถูกของเราเนะี่ยเจ็ดวันเจ็เดือนเจ็ดปีโสดาได้ก็บุญแล้วละ่ะอินรีพวกเราอ่อนนะพวกเราปากแข็งอย่างเดียวแต่อินรีอ่อนนะ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 พระโสดา บ, บันไม่ยากเกินไปแต่พวกเราต้องรักษาคุณสมบัติของพระโสดา บ, บันให้ได้ก่อนคือคุณสมบัติข้อหนึ่งคือรักษาศีลต้องมีศีลห้านะรักษาศีลห้าไว้นี่เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นเลยเม่อมีศีลห้าแล้วเนี่ยเราไม่งมงายเราไม่งมงายใจเราปฏิบัติธรรมนีเราเรียนรู้รูปนามกายใจของเราไปไม่คิดหรอกว่าจะมีทางลัดทางวิเศษจะมีใครมาช่วยเรา นะนั่นเรียกว่าศิลธรรตะประมาณอย่าไปโง่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเรียนรู้ของตัวเองไปอย่ามัวแต่คิดมากใช่ไม่ใช่ถูกไม่ถูกนะอย่ามัวแต่ลังเลสงสัยพระพุทธเจ้าสอนถูกไหมธรรมะอย่างนี้มีจริงไหมครูบาอาจารย์สอนถูกไหมพระสงฆ์สอนถูกหรือเปล่าคิดมากดูรูปดูนามไปเลยนะสงสัยรู้ว่าสงสัยเนะีย่ยดูสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันไป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 ใจเป็นเราไหมหรือว่าไม่เป็นดูบ่อยๆนะเดี๋ยวก็เห็นตรงกับท่านจนได้เพราะว่าความจริงมันไม่มีเห็นตามความเป็นจริงนะไม่ใช่ว่าไปคิดเอาเองไนมะ่ไม่ไมลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยไม่ต้องไปคิดมากนะดูของเรานี่แหละขยันดูไปบนะ่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งเข้าใจด้วยตัวเองนะไม่ได้เข้าใจเพราะาเชื่อใครนะเข้าใจเพราะว่าเห็นด้วยตัวเองศรัทธานี่จะแน่นแฟ้นเลยว่าพระพุทธเจ้าสอนจริงพนระธรรมมีจริงพระสงค์มีจริง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 ชาตินี้ยังต่ําๆควรจะได้โสดาบันะถ้าไม่ได้เนี่ยเสี่ยงมากแล้วนะเสี่ยงมากแล้วเราไม่รู้ว่าชาติต่อไปเราจะเจอพระพุทธศาสนาหรือเปล่าะอย่างทุกวันนี้บางประเทศเขาไม่มีอย่เมืองจีนะเขาไม่มีฟูดแบบของเราเขาอุตส่าห์รวมกลุ่มกันมาเรียนน ะ, ะเข้าคอร์สเรียนอยู่ที่วัดของพรอสิบวันแนละแล้วก็น่าทึ่งมากเลยเพราะนาเก่งกว่าคนไทยจํานวนมากเขาเอาจริงอ่ะ คนไทยก็าโม่แต่เล่นเล่นเล่นไปเรืย เ, เ, เห็นแล้วอยากเบิร์ตกโลกนะทำไมมันไม่ขยันภาวนานะถ้าฝึกนะไม่นานใช้เวลาไม่นานชีวิตใจิตใจเปลี่ยนเราจะรู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงๆรงนะิการจัดสรุปของพระุทธเจ้าเป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยแต่เราจะรู้สึกอย่างนั้นอนะ่พอสมควรแก่เวลาส่งกันบ้านได้กราบณมรชการหลวงพ่อค่ะ เพ่งไหมขนาดนี้จิจตเป็นธรรมชาติหรือจิตผิดธรรมชา ต, ต, ติตื่นเต้นไหมคะโอตื่นเต้นนะตื่นเต้นเป็นธรรมชาตินะมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมนี่ตื่นเต้นเป็นปกติแต่ไม่อยากตื่นเต้นประคองจิตไว้ในนี้ผิดธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นขนาดนี้จิตไม่ปกตินะดูออกไหมมันแข็งไป <laughs> หัวเราก็อย่างนี้นะรู้สึกไหมมันอึดอัดวิธีดูง่ายๆนะว่าจิตเราถูกหรือเปล่าถ้าเรารู้สึกตัวอยู่แต่จิตมันแน่นๆนะแสดงว่ามีการแทรกแซงแน่นอนเป็นวิธีที่ดูง่ายๆแล้วห้ามได้ไหมการแทรกแซงห้ามไม่ได้เห็นไหมจิตมันแทรกแซงของมันเองไหนๆมันจะแน่นแล้วนะเดินปัญญามานเลยอเอองแน่นได้เองแฮะแปลกข้าไม่ได้สั่งให้แน่นเลยเองแน่นเองเนี่ยดูมันไป ความอะก็หลูฟังฟัง youtube จากหลวงพ่อนะคะแต่ว่าคือเดิมเนี่ยเคยเริ่มปฏิบัติมาประมาณสักสิบเดือนแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมแต่ที่ได้ปฏิบัติมาเนี่ยคือก็สอนแบบเดินจงกร ม, มือไม่ต้องบรนดาลหลวงพ่อรู้หลวงพ่อรู้เห็นหน้าหลวงพ่อก็รู้แล้ว <c oughs> ฝึกอะไรแล้วก็ทีนี้มาฟัง youtube หลวงพ่อเนี่ยคือการเดินจงกรมคือ เเดินรื่อยๆจงกลมแปลว่าอะไรถูกไหมจงกลมไม่ได้แปลว่าเดินย่องยองนะจงกลมแปลว่าก้าวไปจังกระมะก้าวไปเพราะนทุกก้าวที่เราเดินนั้นกระทั่งเดินในศูนย์การค้าเดินด้วยความมีสติเดินจงกลมอยู่นะปฏิบัติธรรมอยู่งั้นเดินแล้วบังคับใจตัวเองเคร่งเครียดอยู่ไม่ได้เรียกว่าปฏิบัติธรรมเรียกว่าทรมานตัวเองอยู่ ใช่ค่ะทุกวันนี้เป็นเป็นั้นนั่นแหละเราต้องรับม่บากแล้วล่ะถ้าเราไปฝึกจนจิตมันชินที่หลวงพ่อบอกไลยถ้าเราจิตฝึกจิตจนชินแล้วที่มันล็อกตัวนิ่งๆเนี่ยเราต้องทนเป็นปีเลยนะแต่ว่ามันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะสุดท้ายมันก็คลายได้เราอย่าไปทําอีกก็แล้วกันเราจะแก้ยงไงคะแก้ไม่ได้หรอกจิตมันชินนะแต่ว่าพอผ่านวันเวลาไปมันก็คลายออกมันไม่เที่ยงมันเกิดจากโลภ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 ถ้าเราตัดที่วงจรที่กิเลสนะตัดวงจรเนี่ยตัดที่ตีนกิเลสเนี่ยถึงจะตัดได้เมื่อใจมันอยากเรารู้ว่าอยากการที่จะจงใจบังคับกบายบังคับใจก็ไม่เกิดนะอไปไอ้ที่แน่นๆอยู่ก็จะหายเองเพราะว่ามันหมดอิทธิพลของกรรมเก่ามีมีกรรมเก่าก็คือเราไปทำกรรมฐานมานะวิบากคือมันแน่นมันอึดอัดอิทธิพลตัวนี้ยังไม่หมด มันยังแน่นอยู่อีกชั่วคราวนะเราอย่าไปทํากรรมใหม่ที่ซ้ําแบบนั้นอีกคือบังคับตัวเองเพราะฉะนั้นะเรารู้ทันตั้งแต่กิเลสอยากปฏิบัติรู้ว่าอยากพอรู้ว่าอยากแล้วเนี่ยนะมันไม่ได้บังคับกายบังคับใจนะมันไม่เติมเชื้อของความอึดอัดลงไปในใจอีกนะไม่งั้นจะแน่นอยู่งั้นทั้งชาตินะเราก็บอกนี่แหละเห็นทุกข์ทุกข์ทุกข์อย่างนี้ทุกข์สร้างขึ้นเองไม่ได้ดูทุกข์จริงนะ ไอ้ตัวนี้เห็นทุกอะไรรู้ไหมมันทุกขเวทนามันไม่ใช่ทุกขสัจจะทุกขสัจจะคือรูปนามคือตัวทุกที่ท่านบอกว่าให้รู้ทุกรู้ทุกอมันมุ่งมาที่ทุกขสัจจะถึงจะรู้อริยสัจนะทุกให้รู้สมุทัยให้ละนั่นตัวที่ต้องรู้คือทุกขสัจจะคือรู้รูปรู้นามไม่ใช่รู้ความทุกนี่มันไปบังคับตัวเองอย่างเครียดนะแล้วทุกตลอดแล้วบอกเห็นทุกนี่ไม่ใช่เห็นทุกขสัจจะนี่เห็นทุกขเวทนาเท่านั้นเองก็อย่างที่หลวงพ่อบอกว่า เห็น <He en S 2> ใจทอแท้ไหมเคยเคยเคยท้อเหมือนกันค่ะมีระยะหนึ่งอะค่ะหลวงพ่อเวลานั่งสมาธิพลับตาปุ๊บเนี่ยมันจะปวดก็ปวดส<ว>ิบบังคับเอานะบังคับแต่ก็ก็มีความรู้สึกคือสบายใจทุกครั้งที่ที่ถึงวันนี้ยคือหนูจะไปตลาดเนี่ยวันเว้นวันพอวันที่หนูหยุดเนี่ยคือหนูก็พรุ่งนี้เราก็จะได้แบบเข้าห้องพ้าอืกได้นั่งสมาธิได้เดินจงกรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ, ถ้าเป็นห <2 S 2> ลวงพ่อนะพรุ่งนี้เราจะได้ไปตลาด <c oughs> เราจะไปได้เดินที่ตลาดเรได้ไปตาเห็น <c oughs> หูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกเราจะมีสติตามรู้ไปเรื่อยๆแต่เวลาไปทำงานมันทำไม่ได้หลวงพ่อโ <c oughs> น้สังเกตนะโ <c oughs> น้สังเกตที่ตรงนี้เลยนักปฏิบัติที่แท้จริงเนี่ยนะไม่เป็นปฏิปักษกับสิ่งแวดล้อมหรอก ถ้าเมื่อไรเรารู้สึกว่าต้องอยู่ตรงนี้ถึงจะปฏิบัตนะิถ้าพลาดจากห้องพระของเราแล้วนะต้องไปทํางานต้องไปทําตลาดไปซื้อของอะไรนี้ไม่ได้ปฏิบัติเราไม่เข้าใจคําว่าปฏิบัติแล้วละเราไปรัชอบอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งตลอดเวลาการปฏิบัตินะ่ะคือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไปตลาดมีรูปนามไหมมีแล้วทําไมไม่ชอบบอกปฏิบัติไม่ได้เห็นไหมเราไปทํางานมีรูปนามไหย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 นีเราเจริญปัญญาอยู่นะนั่นแหละดีแล้วอย่างเรื่องการนั่งสมาธิค่ะหลวงพ่อเวลานั่งอะค่ะรู้สึกสมาธิที่ได้คือมันแข็งนั่นแหละไม่ดีอย่านั่งนั่งผิดแล้วก็เวลานั่งไปคือหนูจะนั่งก็ค่อนข้างจะนานนะคะนั่งไปแล้วก็จะปวดปวดก็คือรู้ว่าปวดถ้าจิตส่งออกอย่างเนี้ยคือหนูเคยเรียนมาก็คือว่ารู้หน อ, อคิดหน อ, อ ม, ม่เที่ยงหนอก็อคือตรงเนี้ย ว่าตรงนี้มันถูกต้องไหมคะที่เวลาที่จิตส่งออกไปคิดแล้วเราก็คือบอกจิ ต, จตว่าออคิดออไปอจิตส่งออกไปคิดเนี่ย<ม>สังเกตไหมก่อนที่เราจะพูดคําว่าคิดหนอเนี่ยเรารู้ทันว่ามันหนีไปคิดรึกออกไหมทันบ้างไม่ทันบ้างคิดหนอเนี่ยเกิดทีหลังรู้สึกไหมรู้ก่อนว่าหนีไปคิดแล้วก็มีคําว่าคิดหนอขึ้นมาคตรงที่ถูกอ่ะคือตรงที่รู้สภาวะตรงที่คิดหนอเนี่ยนะจิตตกจากสภาวะอีกครั้งหนึ่งล้ะ นะตกครั้งใหม่ลนะคนละขนาดกันละฉะนั้นขนาดที่รู้ตามความเป็นจริงขนาดนั้นถูกเช่นจิตหลงไปคิดรู้ว่าหลงไปคิดตรงที่เอ้ยคิดหนอคิดหนอนี่คิดครั้งใหม่ละคิดหนอแปลว่าอะไรไปคิดครั้งที่สองเช็คหนอซาสีห <laughs> ลงแล้วนะหลงคิดแล้วให้คนอื่นบ้าง <c oughs> แกสมปทาเนี่ยนะใช้เวลาเยอะแกยาก เพอะไรเพรามันดีมันไม่ใช่ชั่วถ้าขี้โมโหโท่โศอะไรนี้แก้ง่ายติดดีแก้ยากติดชั่วแก้แก้ง่ายง่ายกว่านะสําหรับคนดีนะถ้าคนชั่วเนี่อะไติดชั่วแล้วแก้ยากถ้าคนดีนะติดดีแล้วแก้ยากอ่ะกระดานมาสการค่ะแป๊บหนึ่งขอซัดต่อรู้สึกไหมพอหยุดพูดเท่านะั้นเข้าที่เรียบร้อยเลย ให้มันหลุดออกเออต้องอย่างนี้นะอย่างนี้มันค่อยเป็นผู้เป็นคนปกติหน่อยนะยงนั้นอย่างนี้ทั้งวันไม่ได้นะอ้ะ่ะกลาวนมาสการค่ะตื่นขึ้นมาตอนเช้าบางวันก็หนีไปฟุ้งค่ะ<อ>แต่ว่าส่วนใหญ่จะมาอยู่กับคำบริกรรมค่ะหรือจะบริกรรมทั้งวันแล้วกห็หนีไปคิดบ้างหลงบ้างนะคะ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 ของคุณมันเดินปัญญาอยู่แล้วล่ะขันไม่แยกได้แล้วขันไม่แยกได้แล้วต่อไปนี้ดูขันทํางานไปสบายๆก็ใช้บริกรรมแบบนี้นะคะหลวงพ่อเพื่อเวลาบริกรรมเนี่ยนะไม่ได้บริกรรมเพื่อให้จิตสงบนะแต่บริกรรมเพื่อจะรู้ทันจิตนะถ้าตั้งหลักตัวนี้ถูกการบริกรรมจะถูกเช่นเราพุทโธพุทโธจิตนีไปคิดเรารู้อย่างนี้ใช้ได้ถ้าพุทโธพุทโธห้ามไปหนีนะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธห้ามไปคิดเลยนะ อย่่างนี้ไมถูกบางทีทําบ้างเพราะว่าฟุ้งจนเหนื่อยได้ถ้าฟุ้งซ่านมากก็พุทโธทีทีล้วก็ทําสมถะเป็นสมถะแต่ถ้าใจไม่ฟุ้งมากเราก็พุทโธเล่นเล่นพุทโธแล้วจิตหนีไม่คิดเรารู้ทันพุทโธแล้วจิตหนีไม่คิดรู้ทันอย่านั้นจะได้เดินปัญญาได้ค่ะก็ถ้าอย่างนั้นก็ ปฏิบัติแบบนี้แล้วก็อย่างที่หลวงพ่อบอกบางครั้งมันก็เดินปัญญาเองถูกต้องไหมคะมันก็จะเห็นขันแยกเองแต่ว่าเราก็พอเห็นขันแยกแล้วเราก็ไม่จงใจรักษานะค่ะสักษาใจก็ทือๆค่ะสังเกตเหมือนกันว่าพอเห็นแยกปุ๊บก็จะสงสัยว่าเอ๊ะเราคิดไปหรือเปล่าเท่านั้นแหละมันก็ตรงนั้นก็รู้ใหม่ละนี่ขณะนั้นคือฟุ้งซ่านแล้วขณะนั้นฟุ้งซ่านก็ปฏิบัติอย่างนี้นะคะคุณพ่อ มาสการมาสการครับหลวงพอ่ออ๋อคนไทยเจ๋งเคียง <c oughs> เลยผมได้โอกาสท่องกันป้านประมาณหกเดือนที่แล้วที่สาราลูกชิ้นนะครับแล้วก็ตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าผมแยกขันได้แล้วแล้วก็ทําสมาธิสมยังได้สมถะกับวิปัสสนานะครับเมื่อก่อนผมฝึกสมถะอย่างเดียวเยอะเลยครับแล้วก็หลวงพ่อบอกว่า ห้ามถึงวิปัสสนาเพราะว่าผมฝึกผมฝึกสมถะก่อนเยอะแล้วก็เปลี่ยนฝึกวิปัสสนาผมถึงสมถะตอนนั้นนะหลวงพ่อบอกว่าห้ามถึงสมถ hmm. ะแล้วก็ผมอยากถามว่าการปฏิบัติของผมนะครับเกี่ยวกับเรื่องสมถะก็ถูกหรืเปล่าครับถูกปัญญามันก็เดินได้นะเห็นไหมเราเห็นความรู้สึกข้างในมันเปลี่ยนแปลงได้เอง แเราไม่ได้ไปจ้องมันนะเรารู้สึกสบายๆเห็นมันเปลี่ยนไปอย่างเนี้ยเดินปัญญาอยู่นะบางช่วงมันไม่ไปดูเกิดดับไม่ไปดูความเปลี่ยนแปลงมันรู้สึกตัวอยู่เฉยๆขณะนั้นจิตพลิกมาเป็นสมาธิมาทําสมถะอย่าพลิกไปพลิกมานะระหว่างสมถะวิปัสสนาอย่าตอนเนี้จิตหนีไปแล้วทราบไหมจิตตรง น, นี้นิ่งกว่าความเป็นจริงละนะอย่างเนี้ยเราบังคับอย่าไปบังคับมัน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 ก็เลยเปิดซีดีหลงพอให้ฟังแล้วก็ก็คือแจจะฟังได้บางไม่ได้บ้างสเสร็จแล้วก็เดี๋ยวอย่าอย่าค า, าดหวังเยอ ะ, ะนะคนแรกที่เราต้องจัดการคือเราเองเราต้องไม่ทุกน ะ, ะถ้าใจเราสบายพลังที่ดีมันจะแผ่ออกไปคล้ายๆสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แม่ถ้าใจเราก็ทุกข์ด้วยเครียดด้วยนะเครียดเจอเครียดนะไปกันใหญ่ค น้นเรารักษาใจของเราไปสองแม่เนี่ยเราก็ยังพูดได้ไหมรู้เรื่องไดได้ค่ะเฟังรู้เรื่องอะไรอย่างี้ใช่ไฟังรู้เรื่องค่ะโอ้องนก็นาอาจารย์บอกค่ะใ่ทุกข์ใจแล้วไงเดวทุกข์มันอาอยุเยอะแล้วจะทุกข์มันสบายใจไหมคิดถึงเรื่องดีๆทุกข์ใจมันเกิดจคิดเรื่องไม่ดี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 คิดราคาญลูกหลานอะไรอย่างเงี้นะถ้าเราคิดอย่างนั้นใจก็ทุกข์มากเรื่องอะไรเราต้องทุกข์ร่างกายไม่สบายยร่างกายไม่สบายเป็นธรรมดาะเป็นทุกคนนะยโยมยังเก่งนะอยู่มาได้จนป่านนี้มีบุญมากนะคนอื่นเขาเด็กกว่านี้เขาตายไปเยอะแล้วอย่างต้องถือว่าเรามีบุญละเราอยู่มาได้นานบุญรักษา รักษาใจนะรักษาใจให้เป็นบุญเรื่อยๆคิดถึงความดีบ่อยๆนะแลับไปฝึกเอานะกับน้ำเสกการหลุงพ่อครับหลุงพ่อผมเข้าแถวหลวงพ่อบอกว่าผมไม่มีปัญหาเมื่อคราวที่อยู่บ้านกิจสบายแต่ตอนนี้มีปัญหาแล้วยอมเห็นไหมตอนที่เราเราคิดเนี่ยนะเราลืมกายลืมใจ ของโยมนะหลวงพ่อให้กันบ้านเลยนะรู้สึกให้มากเมื่อนใจมันจะไหลไปคิดคิดอดีตคิดอนาคตคิดศึกษาเปรียบเทียบอะไรต่ออะไรนะคือเราใช้ปัญญาทางโลกมานานมันชินการจะศึกษาธรรมะเนี่ยเราจะรู้สึกเอาคอยรู้สึกอยู่กับกายรู้สึกอยู่กับใจใจฟุ้งซ่านรู้ทันใจหนีไปคิดรู้ทันของนี้ของโยมเนี่ยจะมันช่างหนีคิด เป็นตัวหลักเลยตัวอื่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่หรอกผมรู้สึกว่าผมหนีหนีนด่คิดบ่อยใช่แล้วแล้วผมรู้ว่านาต้องอย่างนั้นนหะหนีไม่คิดตรอดแต่โยมต้องคุยน้อยๆนะเพราะตอนที่เราคุยสังเกตไหมมันต้องคิดใช่ไหมเราเม่คิดแล้วมันจะไปอินกับเรื่องที่คิดนะถ้าอย่ายอมมันเวลาของเรามีจากัดเวลาเรามีจำกัด ให้เรารู้สึกให้เยอะเราอย่าไปหลงอยู่ในโลกของความคิดหนานรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆนะเอาของดีให้ได้นะเป็นบ่วงอยู่ผมใช้วิธีปฏิบัติมีมีสติในชีวิตประจำวันตื่นขึ้นมาก็รู้ว่าเวลาเดินนั่างร่างร่างกายเดินใจพิจารณายเดิอยู่นี้ไม่่ใชตัวเราเออนะแต่ตรงนี้ยมันยังเจือการคิดนะมันยังเจอการคิดพิจารณาอยู่คือ ผมรู้ตัวขณะที่ผมเดินนะฮะอยอมลองเดินได้ไหมลองเดินนะเดินดูหน่อยผมก็เดินแบบแบบแบบธรรมดาเนี่ยแหละเดินธรรมดาแต่ก็พอเดินพับ ก, ก็รู้เลยว่าเพราะว่ามันใกล้ายๆมันมีสติอย่างเมื่อกี้รู้สึกไหมจิตมันเป็นผู้รู้ขึ้นมาจริงๆรู้ถูกอย่างนั้นนะใจเขียนไหมมันมันเป็นพอเป็นผู้รู้มันก็เบิกบานขึ้นมาะใจไม่อิสระขึ้นมาเนี่ยเราก็สะสมของเรานะ แล้วก็รู้ไปบ่อยๆเห็นรูเปเห็นนามทำงานไปเรื่อยๆอย่างนี้เราถูกแล้วใจถูกแล้วถูกผิดอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่กระบวนท่าครับตั้งแต่ผมเอาละเอาละเอาละยมสังเกตไหมมันหลงเนีมันห ล, ลงไปคิดก็ผมอยากจะถามเลนหลวงพ่อว่าผมปฏิบัติมาเนี่ยทั้งฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ย ทั้งอ่านหนังสือเนี่ยเนี้ยอตอนหังนี้มันรู้สึกว่ามันเข้าใจแล้วแม้แต่ฟังเทศตมนนี้ก็รู้สึกว่ามันเข้าใจ ม, มากกว่าตะโกดเดยอะเลยฮะถูกใจเข้าใจมากถูกแล้วใจมันเปิดออกมาแล้วเข้าใจเนี่ยสภาวะที่จิตมันเปิดขึ้นมาเป็ น, นยางแล้วทีนี้ไอท้ที่การที่รู้ว่าการที่เราจะรู้ว่ากายและใจเป็นของเราโดยจิตบมยอมรับเนี่ย ผมอ่านอานดูแล้วมันมีหลายวิธีเลยนะฮะพรพ่อมีหลายวิธียังยังพระพุทธเจ้าอ่านเนี่ยผมมาสูงหน่อยท่านก็บอกว่าไอ้กายใจเนี่ยไม่ไอ้ไอ้ไไขันเราเนี่ยมันไม่ยอมเราเพราะว่าเราบังคับมันไม่ได้ออว่าขันจงเป็นอย่างนี้เถอดอย่าเป็นอย่างนั้นเลยอะไรเนี่ยท่านก็อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งของพระเจ้าอ คือวิธีนะโยมไม่ต้องกงอังวลอ่ะจิตมันจะเลือกของมันเองนะงั้นเราภาวนาเนี่ยเรารู้สภาวะลงปัจจุบันไปเห็นเกิดดับไปนี่แหละบางคนเห็นความไม่เที่ยงนะหลุดพ้นไปด้วยการเห็นความไม่เที่ยงทําไมไม่เที่ยงก็ของมันเกิดดับบางคนหลุดพ้นไปด้วยการเห็นทุกทําไมเป็นทุกก็มันเกิดดับสิมันถึงทุกบางคนเห็นว่ามันเป็นอนัตตานะหลุดพ้นด้วยการเห็นอนัตตา ทำไมถึงเป็นอนัตตาเอาของมันเกิดดับบังคับไม่ได้ก็เป็นอนัตตางั้นจุดสาคัญอยู่ที่เราเห็นสภาวะที่เกิดดับอยู่ต่อหน้าต่อตานี่แหละนะแล้วถึงจุดที่ปัญญามันจะเกิดเนี่ยมันจะเลือกของมันเองแล้วว่ามันจะหลุดด้วยอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปเลือกแทนมันนะถ้าไปเลือกแทนมันไม่เกิดเลยอย่าไปคิดนานะอย่างเช่นดูดูดูทีวี TV นะ ก็มันจิตมันฟังเดี๋ยวจิตมันดูอะไรต่างเนีเ่เรารู้ตามที่ผมอ่านตามนันือที่อาจารย์<ม>เคยเทศนามานะฮะก็ดกูก็รู้งันแต่ว่าก็รู้ไปตามนั้นก็รู้สึกว่ามันก็เข้าใจนะฮะ<ม>แต่ว่าแต่เข้าใจ ร, รู้สึกว่าในที่สุดก็เข้าใจว่าเราจะมีปัญญาได้คือรู้ว่า กายละใจนี่มันเป็นไตหลักนี่เป็นจุดท<ช>ีวัดสำคัญที่สุดใช่กายละใจถ้ารู้ว่ากายและใจเป็นไตหลักแต่ก็รู้นะครับรู้รู้อยู่แต่ว่าจิตมันยังไม่จิตมันยังไม่ยอมรับ <c oughs> จิตไยอมครับครับต้องพยายามต่อไปอจนกว่าเขาจะพอ <c oughs> เมื่อเขาพอแล้วมันก็คล้ายไอ ลูกไก่มันจาะเปลือกไข่ออกมาโอ้โหมันเจาะนะตอนนี้เริ่มจาะหรือยังครับอยากคิดเยอะคิดเยอะครับครับดีกว่าเก่าเยอะแล้วให้คนเห็นว่าเขายอมภาวนานล้ดีขึ้นเยอะแล้วเจ็บมันตื่นมันเดินปัญญาได้แล้วครับครับรู้สึกว่าผมหลังนี้ผมผมอ่านหนังสือของของพ่อนี่แทบจะทุกคืนมันใครว่ามันเป็นเป็นงานหลักอ่ะ เพราะว่าผมก็กกเกษียณมาตั้งส<ม>ิบกว่าปีแล้ว<ม>ก็ก็ขอกราบขอบคุณหลวงพ่อที่หลวงพ่อได้ชี้ทางสว่างเพราะว่าอมันปลายของชีวิตที่ผมก็เจ็สิบกว่าแล้วนะฮะมันใกล้เวลาที่จะนั่นแต่ก็ยังดีที่ว่าได้หันมาเ<ม>ห็นสนสนใจธรรมะของหลวงพ่อที่หลวงพ่อได้สอนไปสเต็ปสเต็ปก็ ก็เข้าใจก็รู้นะฮะรู้รู้เข้าใจรู้เพราะว่าลุงพระอื่นอะไรต่างเนี่ยผมผมไม่รู้หรอกรู้จักหลวงพ่อรู้เหมือนจะรู้ได้เป็นองค์องค์เดียวและองค์แรกนะฮะขอบขอขอบพระคุณหลวงพอ่อเป็นอย่างสูงกราบนมสันมสการหลวงพอ่อค่ะ อ่าที่ผ่านมานี่ก็จะตั้งใจประกอบอาชีพนะคะก็คือยังไม่ได้ปล่อยวางตรงที่จะสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองนะคะอืมเพิ่งจะ<อ>งเริ่มประกอบอาชีพมันก็ปฏิบัติไปได้นะเพิ่งจะเริ่มมาตั้งใจเอาเมื่อประมาณหนึ่งปีที่ผ่าน ม, มาเนี้นะค่ะก็ไม่สายไปหรอก ค, ความดีนะทําเมื่อไหร่ก็ดีเมื่อนั้นเละสังเกตดูนะ ชีวิตจิตใจของเรานะถ้าใจเราเคล้าอยู่กับธรรมะเรื่อยๆใจมันค่อยสบายขึ้นสบายขึ้นรู้สึกไหม<ฆ>ใจมันค่อยเบาสบายมันคลายออกคลายออกดูไปเรื่อยดูความจริงของชีวิตไปเรื่อยๆกิเลส อ, อะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันรู้บ่อยๆ<ฆ>ตัวไหนเกิดบ่อยดูออกไหมโลคโรดหลงตัวไหนเกิดบ่อยน่าจะโลกอะคะเออนะให้รู้ทันอย่างนี้นะ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 ความอยากเกิดขึ้นรู้ความอยากหายไปก็รู้กรรมฐานทําข้อเดียวก็พอละก็คือให้รู้เนื้อรู้ตัวใช่รู้ตัวเองรู้ทันใจของเราใจมันโลภขึ้นมาทีไรก็รู้ใจโลภขึ้นมาก็รู้นะแล้วห้ามมันไม่ได้อ่ะมันตัดได้ขอบพระคุณต้องสั้นๆั้นหน่อยจะสิบโมงละการนมัสการค่ะหลวงพ่ออืมค่ะก็ใช่ได้ เคยเห็นไหมกายกับใจมันคนละอันกันเออมันแยกเล่าแล้วกายกับใจก็ครละอันความรู้สึกกับใจก็ครละอันเมื่อกี้เห็นใจโลภไหมใจอยากพูดเห็นเจ้าค่ะนั่นอ่ะมันดันขึ้นกลางหน้าอกดู <S <S ออก<ช>ใช่ไหมภาวนาเป็นแล้วสงสัยอะไรหรือสงสัยว่าเวลาจิตมีครั้งหนึ่งที่มันตัดเข้าไปเงียบๆป่ะคะอเข้าไปเงียบๆสิ่งที่เห็นเห็นเกิดดับ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 จัดจัดเห็นเห็นเลยค่ะแล้ว เ, เห็นเหมือนทะลอกอะค่ะเหมือนจิตมันมีรอยทะลอะว่าอเอา้าก็งงนิดหน่อยว่าเอ้าเห็นมันน่าจะสุกนะ <c oughs> เห็นมันมีความปลืม้ม <c oughs> แต่มันเห็นทุกเต็มเต็มเลยเจ้าค่ะเออดีฉลาด <c oughs> ค่ะแล้วก็แล้วก็บางครั้งก็จะรู้สึกว่าเห็นแต่ทุกจนโลกที่กว้างใหญ่หนูไม่รู้จะจะหลดเท้าตรงไหนใ ห, ให้มันไม่ทุกเจ้าค่ะก็ตรงนี้ตรงนี้ยังปัญญาล้ําไปค่ะยังไม่ได้เห็นจริง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 ค่ ะ, ะต่อไปงาสวัฒนกาค่ะตื่นเต้นไหมมากค่ะอย่างดีหัวใจไม่ไวายอ่ะคือเคยได้การบ้านว่าให้ดูควาเป็นกลางจากที่ไม่เคยยู้อะไรเลยก็ย้อนมาดูตัวเองได้มากขึ้ น, นะคะก็เลยว่าจะมาขอการบ้านต่อค่ะเอาการบ้านเดิมเลยน ะ, ะดูไปแล้วเราพัฒนามาเรื่อยๆสังเกตไหมว่าใจเราดีขึ้นเปลี่ยนแปลง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 นามสการค่ะหลวงพ่อส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะก็เปลี่ยนจากก็ใช้ได้อยู่ค่ะเปลี่ยนจากนางมาหลยกาดมาค่ะก็รู้กายรู้ใจมากขึ้นค่ะโทสะลดลงแล้วก็ความดิ้นลนมันก็ลดลงด้วยค่ะดีนะเมื่องนใจมันร้อนมากมันลุยแหลกลุยเละเลยค่ะแตหลวงพ่อใช้ลุยแหลกี่เขาบอกใช้ลุยเละ ค่ะอันนี้มันมีเมื่อวันก่อนนะคะหลวงพ่ อ, อนอนนอนหลับอยู่อะค่ะมันหลับไม่สนิทคณิสเหมือนจิตมันไปเห็นกายมันกระสับกระสายอะคะ่ะคนี hmm. ้แล้วมันก็ไปเห็นจิตมันบริกรรมด้วยะคะ mm ่ะ hmm. แบบเมตตาคูนางอรหันตเมตตาคณิสนนหนูก็งงแล้วตอนแรกหนูเข้าใจว่าจิตบริกรรมแต่อันนี้มันเหมือนมีสาอันเลยอะคะ่ะหลวงพ่อว่าจิตมันไปดูอย่างเงี้ยค่ะจิตจะเป็นคนรู้นะ สังขารมันบริกรรมนะความสุขความทุกข์เป็นตัวเวทนาร่างกายมันนอนอยู่นะรูปมันนอนนะเพะนนขันห้ามันก็ทำหน้าที่ของขันห้าเางตัวคิดนะ่ะมันไม่ใช่จิตหรอกนะแยกเป็นกองกองมันเป็นกองกองค่ะคำว่ า, ข, าวขันก็คือคำว่าวกองนั่นแหละถูกเป๊ะเลยเห็นถูกแล้วใช่ไหมคะถูกถูกแล้ว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 อืได้เจอหลวงพ่อครั้งแรกแล้วก็เส่งมาครั้งแรกค่ะอืมติมใครเจอหลวงพ่อครั้งที่ร้อยก็ตื่นเต้นไม่เช่ครั้งแรกหรอกก็ปฏิบัติมาฟังซีดีหลวงพ่อมาปีกว่าแล้วค่ะก็ปฏิบัติมารู้สึกไหมกลยกระใจโคล้านรู้สึกกายบ่อยๆใช้กายเป็นเครื่องอยู่น่ะ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 ทั้งสิ้ดีหลงพ่อได้สามเดือนเจ้าค่ะแล้วก็เพิ่งได้มากับหลงพอ่อครั้งแรกเจ้าค่ะเรายในใจ ไ, <ป S 2> ไม่ค่อยปกติ เ, ออเลยเจ้าค<ช>่ะ ต, ตื่ น, น <ะ S 2> เต้นมากอยวาไ ป, ประคองมันหลงพ่อเจ้าค่ะจริงๆตั้งใจจะถามคุณถามเพราะว่าเป็นห่วงว่ากลั ว, ว่าตัวเองจะติดสภาวะเจ้าค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าพยายามปฏิบัติแล้วก็วันก่อนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอย่างเช่นพาลูกนอนน่ะเจ้าค่ะ พาลูกตัวเล็กๆนอนแล้วก็ตัวเองก็ยังไม่ได้ทําอาหารให้สามีก็จะห่วงว่าตัวเองจะเผลอหลับไปก็จะแบบเหมือนมีความรู้ตัวอยู่ยงก็จะรู้รู้เสร็จแล้วพอพอมันเหมือนมันจะเคลิ้มไปสู่จักววาลสลับเนี่แ้วก็รู้ใหม่แล้วก็เผลอไปก็รู้รู้ใหม่ประมาณสักสิบครั้งว่ามันเหมือนขึ้นมาเป็นเด่นๆแบบว่ามันเป็นแข็เหมือนแบบว่าแข็งๆเป็นก้อนกลมๆเหมือนอยู่ตรงอยู่ตรงนี้เจ้าค่ะแต่ว่าคือเป็นห่วงว่าจะ จากตรงนี้กลัวว่าจะติดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเพราะว่าพอพอรู้เสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้ทุกวันพอเดินเดินเดินเดินสภกพัอรู้ขึ้นมามันก็มีรู้รู้เสร็จแล้วก็มันหายไปก็หายไปก็เห็นว่ามันหายไปแล้วก็แล้วก็มันบางทีก็มาบางครั้งอะค่ะหลวงพ่อรู้สึกว่าจริงๆมันตอนที่รู้น่ยมันเด่นอยู่แต่ว่าเหมือนพอลบเลอไปแล้วก็เหมือนยังอยู่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันกังวลว่ากลัวว่าจะติดเพราะแก้กังวลอย่าไปกังวลมันอย่าไปสนใจมัน สนใจอย่างอื่นแทนมันก็หายไปมันหายเจ้าค่ะสนใจอย่างอื่นไปก็หายแต่จากตรงนี้ค่ะถ้าเกิดอยากจะติดหรือเปล่าเนี่ยอยู่ตรงนี้ใจชอบไหมถ้าใจชอบไม่รู้ว่าชอบนะถึงจะติดนะแล้วก็บางทีใจเกลียดใจเกลียดแล้วไม่รู้ว่าเกลียดก็ติดได้นะเดี๋ยวตอนนี้ใจไม่ชอบให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบนะถ้าใจเป็นกลางไม่ค่อยก่ออะไรหรอกอันนี้ใจมันไม่เป็นกลาง ใจไม่เกลียดไอ้ตัวนี้โอใช่เจ้าค่ะตอนแรกชอบเจ้าค่ะก็ตะคุบ ม, มันไว้นะตอนหลังก็เอ้ยกลัวเอ้ยติดแน่เลยก็จะไปให้ให้รู้ว่ า, <ป>วาเกลียดนะให้รู้ทันถ้าใจเป็นกลางเขาไม่ติดมันหรอกแล้วยังไงต่อเจ้าค่ะนนไม่ทําอะไรใจเป็นแบบไหนรู้ว่าเป็นอย่างนั้นใจกังวลรู้ว่ากังวลเห็นไหมมันกังวลได้เองเนี่ยดูไปนะทุกอย่างมันมาเองไปเองกังวลก็เกิดเองมาเองไปเองนะความสุขความทุกข์ความดีความชัว่วเกิดเองไปเอง ดูอย่างนี้เรื่อยๆไม่ใช่ปฏิบัติแล้วจะทำยังไงต่อทํำอะไรไม่ได้รู้สภาว่าอย่างที่กําลังเป็นนั่นแหละขอบคุณนะเจ้าค่ะชีวิตเปลี่ยนไปเยอะเลยเจ้าค่ะขอบคุณ<ม>องค์มาเลยเจ้าค่ะการธรสการค่ะวันนี้เ พ, พิ่งมาส่งกันบ้านเป็นครั้งแรกค่ะจริงๆฟังหลวงพ่อเทศจาก youtube ประมาณ3เดือนแล้วค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือปฏิบัติตามที่ที่เราเข้าใจไปเองนะคะไม่ได้ไปเรียนจากที่ไหน เออคือทีนี้ก็คือตอนแรกกันปฏิปฏบัติสมถะค่ะก็เลือกกรรมฐานอนาปนาสติอะค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าปฏิบัติตรงกับตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าบางทีก็คือนานเลยกว่าจะาสงบเนี้ยค่ ะ, ะยิบไปเอาสงบสิหายใจเล่นๆหายใจแล้วจิตฟุ้งซ่านรือว่าฟุ้งซ่านจิตสงบหรือว่าสงบถ้าหายใจแล้วรู้ทันจิตไปสบายๆแป๊บเดียวก็สงบถ้าจะมุ่งให้สงบนะจิตจะไม่สงบหรอก เพาะขณะที่เราอยากสงบในจิตจะเครียดถ้าจิตเครียดจิตไม่มีความสุขสมาธิจะไม่เกิดนะถ้ามีความสุขสมาธิถึงจะเกิดย่างนี้คือเคยลองเลือกกรรมฐานแบบรวมกันอีกเช่นอนาปนสติแล้วก็อาจจะมีพุท ธ, ธานุสติแล้วก็สังขารนุสติเข้ามาอย่างนี้คือถูกต้องไหมคะได้ใช่ได้แต่อย่าอยากให้สงบนะปัญหาอยู่ที่ใจยังอยากให้สงบมันเลยไม่ยอมสงบ หายใจเข้าพุทหายใจออกโทสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างหายใจแล้วก็รู้ทันใจของตัวเองไปใจหนักใจเบาใจสุขใ จ, ใจทุกรู้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันสงบง่ายไม่ยากอะไรดอกแล้วก็มีการปฏิบัติตามชีตประจําวันบ้างนะคะก็บางทีก็หลงไปคิดเป็นส่วนใหญ่อะคะ่ะอย่าหลงนาน<ง>นะอย่าไปหลงนานถ้ามีโทสะขึ้นมาก็รู้ว่าเป็นโทสะแต่ว่า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 ถ้าถ้าไม่ไม่คิดเรื่องนั้นเราเปลี่ยนเรื่องคิดเนี่ยเป็นสมถะนะเฉยแตนที่จะคิดอย่างมีราคะเนี่ยแตนที่คิดถึงของสวยของงามมาคิดถึงปฏิปูนเนี่ยอสุภาอะไรเงี้ยไม่คิดกลับข้างเป็นสมถนะหรือกโกรธขึ้นมาเราไปคิดเรื่องอื่นที่ทําให้อารมณ์ดีก็เป็นสมถนะแต่ถ้าวิปัสสนาเนี่ยโกรธรู้ว่าโกรธรอบรู้ว่ารอบฟงซ่านรู้ว่าฟงซ่านนะรู้อย่างที่เป็นนะรู้ตัวนี้บ่อยๆนะ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 ตาเมาเห็นความรู้สึกเปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกเปลี่ยนใจคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนอ ย, ย, ยู่อย่างนั้นเรื่อยๆับขอพระคุณมาค่ะไม่ยากเดี๋ยวพวกเราก่าวคําถวายทานตามไปเลยนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม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 ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวะอโตทินังเฟตาณังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยถาสพีติโยวิวัตฉันตุสัพโรโควินัสตุ มาเตพวัตวันตรายโยสุขีทิคายุโกภวะอาภิวาธนาสีเลสนิจจังวุธาปจายโนจตาโรโธรมาวัันตีอายุวันโนสุขังพระลังสาทุหลวพ่นุโมทนากับพวกเรานะมาฟังธรรมเอาไปปฏิบัติให้มันพ้นทุกไปโลกนี้ทุกนะ